จิตใจของพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวละครตัวที่เล่นละครตัวตัวแสดงนักแสดงนักแสดงละครนี่เขาจะเปลี่ยนไปตามละครบางเรื่องเขาก็ได้เล่นเป็นพระเอกบางเรื่องเขาก็เล่นเป็นผู้ร้ายเป็นนางเอก แต่และเรื่องแล้วแต่ว่าผู้กำกับจะกำกับให้เขาเล่นเรื่องไหนพอถึงเวลาก็ต้องเล่นตามที่ผู้กำกับเขากำกับไว้ฉันใดจิตใจของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นตอนนี้พวกเรามาเล่นเป็นมนุษย์กัน ละครเรื่องนี้ชาตินี้เรามาเป็นมนุษย์กันแต่ชาติต่อไปเราก็อาจจะไปเป็นอย่างอื่นเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจของเราตอนที่ไม่มีร่างก็จะไปเล่นละครบทใหม่บางทีก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหม ไปเป็นพระ อ, อริยเจ้าบางทีก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีอสูรกายหรือไปเป็นสัตว์นรกนี่คือบทแสดงต่างๆที่ผู้กำกับคือกฎแห่งกรรมเป็นผู้กำกับให้พวก เราให้จิตใจของพวกเราไปเป็น เ, เป็นสัตว์หรือเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสรู้รงค้นพบและทรงรู้ว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นผู้ที่จะกำหนด หรือกํากับให้เราแสดงบทต่างๆกฎแห่งกรรมนี้เป็นกดตายตัวคือเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามจะรู้หรือไม่ก็ตามถ้าเราทำแล้วมันจะเกิดผลขึ้นมาคือถ้าเราทำดีก็จะเกิดผลดีตามมาถ้าทำชั่ว ทำไม่ดีก็จะเกิดผลไม่ดีตามมาทำดีก็ได้ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยะบุคคลทำไม่ดีก็ไปเป็นไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกนี่คือเรื่องราวของจิตใจของพวกเรา ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วจะไม่มีวันตายถ้าตราบใดยังมีการทำบุญทำบาปอยู่ตราบใดยังมีกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากอยู่ภายในจิตใจจิตใจก็จะไปแสดงตัวเป็นตัวละครเป็นตัวละครต่างๆ ในแต่ละพบแต่ละชาติถ้าต้องการหยุดเล่นละครก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติก็คือต้องทำบุญต้องละการกระทำบาปแล้วก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นวิธีที่จะทำให้เรายุติ การไปแสดงเป็นตัวละครชนิดต่างๆได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือไม่มีพระอริยสงสากเราจะไม่รู้เรื่องของจิตใจของพวกเราว่าเราไปเป็นอะไรต่างๆกันได้อย่างไรและเป็นแบบไม่มีวันจบสิ้น เราจะไม่รู้กันส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเราเป็นร่างกายเราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายเพราะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ส่วนจิตใจนี่เรามองไม่เห็นความจริงแล้วร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้เราเราคือจิตใจผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกาย ทำอะไรต่างๆตามความต้องการของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของพวกเราการที่เรามาเกิดกันนี้ก็เพราะถูกกิเลสตัณหาเป็นผู้บังคับให้เรามาเกิดกันนั่นเองกิเลสตัณหาต้องการให้เรามาเกิดมามีร่างกายเราจะได้ใช้ร่างกาย ไปทำอะไรตามความต้องการของกิเลสตัณหาสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการก็คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพะชนิดต่างๆการที่จะมีความสุขเหล่านี้ได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีการมีร่างกายมีการมาเกิด พอเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กิเลสตัณหาก็จะใช้เราให้ไปใช้ร่างกายไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะนี่คือสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการสิ่งที่ทำให้กิเลสตัณหามีความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ จะมีการสิ้นสุดลงพอเกิดการสิ้นสุดลงความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพวเราทุกคนเกิดมากันเป็นมนุษย์มีร่างกายของมนุษย์เราก็ใช้ร่างกายของมนุษย์นี้หาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วเราก็มาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแต่เราก็ไม่เข็ดและเพราะเราไม่รู้จะทำอย่างไรเรารู้ว่าเราต้องหาใหม่ถ้าหมดก็ต้องหาใหม่ ถ้ามีกำลังที่จะหาก็หาต่อไปถ้าไม่มีกำลังที่จะหาดังทีก็ฆ่าตัวตายกันพราไม่รู้ว่าจะไปหาความสุขได้อย่างไรสูญเสียความสุขไปแล้วก็ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปหาใหม่ก็เลยคิดสั้นก็คิด ด้วยการฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้ฆ่าปัญหาตัวปัญหาคือกิเลสตัณหาที่อยู่ในใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายการฆ่าร่างกายก็เพียงแต่เป็นการาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนบทละครใหม่ไปเล่นเป็นตัวละครตัวใหม่ พอเวลาที่ร่างกายตายไปจิตที่ขณะที่อยู่ถ้าได้ทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะไปเล่นบทของเทวดาของพรหมของพระอริยบุคคลถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็ต้องไปเล่นบทของเดลฉานเล่นบทของเปรตเล่นบทของอสุรกายเล่นบทของสัตว์นรก แล้วพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็จะให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่แล้วถ้าเกิดไปเจอความเสีย อ, อกเสียใจก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายใหม่เพราะถ้าเคยแก้ปัญหาอย่างไร ก็มักจะแก้ปัญหาแบบเดียวกันเคยค่าแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายพอกลับมาเกิดแล้ว ม, มาเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็แก้ด้วยการฆ่าตัวตายท่านถึงพูดว่าถ้าเราฆ่าตัวตายนี่เราจะต้องกลับมาฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆห้าร้อยชาติเพราะมันจะเป็นนิสัยเมื่อมัน ทนกับความทุกข์ทรมานใจไม่ไหวก็เลยค่าร่างกายเพื่อที่จะได้หนีสภาพที่รับไม่ได้สภาพที่สูญเสียสิ่งต่างๆไปแต่ไม่ได้เป็แก้ปัญหาระยะยาวเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นๆเดี๋ยวพอตายไปก็ต้องไปรับผลบาปที่ทำไว้ การฆ่าตัวตายนี้ก็เป็นบาปอย่างหนึ่งเป็นบาปที่จะพาให้ไปสู่นรกได้แล้วพอใช้บาปหมดแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้ามาทำแบบเดิมอีกเพราะว่าติเลตันหาก็จะใช้ให้เราไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ แล้วถ้าไปเจอปัญหาอีกที่แก้ไม่ได้อีกก็จะฆ่าตัวตายอีกนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่จะเป็นไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เราได้ทำกันไว้อำนาจของบุญก็ทำให้เราได้ไปเกิดในสภาพที่ดี เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลนี้เป็นจิตใจที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์นะแต่ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นรสุลกายไปตกนรกนีก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขเพระพระพุทธเจ้าจึง สงสอนให้พวกเราทำบุญกันพยายามทำบุญกันให้มากมากอย่างน้อยก็ให้มันมากกว่าบาปเพราะเวลาตายไปบุญกับบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะมาดึงเราให้ไปเล่นบทใดบทหนึ่งถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึงให้เราไปเล่นบทที่ดีถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญ บาปก็จะดึงให้เราไปเล่นบทที่ไม่ดีแล้วถ้าเราอยากจะยุติการมาเล่นละครกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องปฏิบัติจิตตะภาวนาเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจของพวกเราตอนนี้ถูกกิเลสตันหาครอบงำอยู่ เป็นเหมือนถ้าเป็นเสื้อผ้าก็มีสิ่งสกรปรกติดอยู่ในเสื้อผ้าเช่นเสื้อผ้าที่เราใส่กันพอเราใส่แล้วเดี๋ยวก็มีขี้ฝุ่นมีขี้ใครมีขี้เหงือขี้ใครมีสิ่งสกรปรกต่างๆมาเกาะติดอยู่เราจึงต้องเอาเสื้อผ้าไปทําความสะอาดพอเราซักเสื้อผ้าด้วย ผงซับฟอกด้วยน้ำมันก็เอาสิ่งคราบสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าให้หลุดออกไปเสื้อผ้าก็จะกลับมาเป็นเสื้อผ้าที่ขาวสะอาดน่าสวมใส่ปัสจากกินไม่ดีต่างๆกิ่งไม่ปราถนาต่างๆจิตใจของเราก็เป็นเช่นนี้การที่จิตใจของเราต้องมาเกิด มาแสดงเป็นบทต่างๆนี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสตัณหานี่เองกิเลสตัณหาที่พาให้เรามาเกิดกันนี้มีอยู่สามตัวด้วยกันเรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง กามก็แปลว่ากามคุณหากามคุณห้าก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะที่สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีกามาตัญหามันก็จะดึงให้เราต้องมามีร่างกายเพื่อที่เราจะได้ม า, าเสพหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเราจึงมาเกิดกัน แล้วเวลามาเกิดเราก็ต้องหาสิ่งที่เราอยากได้บางทีเราโชคดีเราก็มีเงินทองมากมีความสามารถมากเราก็หาโดยวิธีไม่ต้องทำบาปแต่ถ้าเราโชคไม่ดีไปเกิดยากจนถ้าเราอยากได้บางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะต้องไปทำบาปเราถึงจะได้ สิ่งที่เราต้องการเพราะว่าความอยากนี้มันจะสร้างความทรมานใจให้กับเราเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้นิจใจมันจะรู้สึกกดเกิดลำคาญใจเศร้าซ่อยหงอยเหงาว้าเวจนทนไม่ไหวในบางทีถ้าต้องทำบาปก็ยินดีที่จะทำบาปแล้วจะมีคนทำบาปกันอยู่เรื่อย มีข่าวาวทางหน้าหนังสือพิมพ์กันอยู่เรื่อยๆคนเหล่านี้เขาทำบาปเพราะเขามีความอยากอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งพอไม่สามารถทำโดยวิธีที่ไม่ทำบาปได้เขาก็ต้องไปทำบาปกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนเราเกิดมาทำไมต้องมาทำบาปด้วย ทำไมไม่ทําบาปไม่ได้หรือก่นที่จะไม่ทําบาปได้ก็คือคนที่ไม่มีความอยากตอนนั้นถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดนาคาญใจไม่มีความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงา ว, ว, าว้าเวออยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้พระพุทธเจ้าทรงคนพบว่า การที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องไปเป็นอะไรไม่ต้องไปทำอะไรเนี่ยก็คือให้เรากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปให้ได้ความอยากชนิดที่หนึ่งกามตันหาอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะความอยากชนิดที่สองคือความอยากมีอยากเป็น อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต ards, อยากร่ำอยากรวยเห็นไหมนี่ใกล้เลือกตั้งแล้วนี่เริ่มวิ่งก mm ันแล้วสิอะไรคนที่ไม่อยากเขาก็อยู่เฉยๆคนที่อยากนี่เขาอยู่เฉยๆไม่ได้นะเขาต้องวางแผนเตรียมการนะเนี่ยมันแสดงออกให้เห็นระหว่างความอยากกับความไม่อยากคนที่ไม่อยากเขาก็ไม่วุ่นวายไม่ต้องไป วุ่นวายกับเรื่องการไปเตรียมตัวหาเสียงเลือกตั้งกันแต่คนที่อยากเนี่ยเขาอยู่เฉยๆไม่ได้แะเพราะรู้ว่าถ้าอยู่เฉยๆเดี๋ยวไม่ได้ก็เลยต้องไปดิ้นรนกันจะไปทำผิดบ้างถูกบ้างก็แล้วแต่ว่าความเห็นของเขาถ้าก็เห็นว่าถ้าทาถูก มันอาจจะสู้เขาไม่ได้ก็อาจจะต้องไปทำผิดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ความอยากนี้เป็นสาเหตุที่จะทำให้คนเราไปทำบาป ก, กันถ้าถ้าหามาโดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็ต้องเอาวิธีด้วยการทำบาป ก, กันอันนี้ความอยากชนิดที่สองอยากมีอยากเป็น อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นัวอยากอยู่ไปนานๆอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายเวลาไปทําบุญวันเกิดขอพรอพระกันพอพะระบอกขอให้อยู่ไปนานๆร้อยปีเนี่ยยิ้มกันทุกคนซึ่งความจริงมันเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันก็เป็นแค่ลมปากแต่เพียงแต่ลมปาก ของพระก็รู้สึกว่าชื่นอกชื่นใจขึ้นมาอันนี้คือความอยากที่ชนิดที่สองอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีความอยากชนิดที่สามเรียกว่าวิภาวะตัณหาอันนี้อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่แพ้ไม่ยอมไม่อยากแพ้ใครอยากจะชนะ อยากไม่เป็นไม่อยากเป็นลูกน้องอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นความอยากที่เป็นตัวที่จะกดดันจิตใจของพวกเราให้มาเกิดกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะมาเกิดมาทำบุญมาทำบาปแล้วลมารับผลบุญผ ล, ผลบาปเราก็ต้องกำจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจให้ได้ ที่จะกำจัดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็ต้องอาศัยการออทำบุญทำทานการรักษาศีลออการภาวนาออถึงจะสามารถที่จะกาจัดสิ่งเส้สกปรกคือกิเลสตัณหาที่มันติดอยู่ในใจของเราให้หมดไปเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเอาไปซักฟอก ทานศีลภาวนาก็เป็นเหมือนน้ำเป็นเหมือนผงซักฟอกเป็นเหมือนภาชนะที่เราใส่ไว้กับการที่เราจะชำระเสื้อผ้าต่างๆเชนสมัยนิสมัยก่อนก็เป็นกาลังเป็นกรแปง๋งสมัยนี้ก็เป็นเครื่องซักมมีเครื่องซักใส่เข้าไปในเครื่องใส่น้ำใส่ผงซักฟอกเข้าไปแล้วเดี๋ยวเครื่องมันก็ทางาน สักพักมันก็เสร็จมันก็แยกสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าไปแต่ต้องมีเครื่องต้องมีน้ำต้องมีผงซักฟอกถึงจะสามารถซักเสื้อผ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ได้การชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องมีการทำบุญทำทานมีการรักษาศีลมีการภาวนาถ้าเปรียบเทียบการทาบุญทาทานก็เป็นเหมือนภาชนะ เป็นอ่างเป็นกะละมังที่เราจะใส่เสื้อผ้าลงไปศีลก็เป็นเหมือนน้ําถ้าเราซักด้วยน้ําเปล่าๆมันก็ไม่สะอาดมันก็สามารถกําจัดคราบสกปกบางอย่างได้ครับที่เป็นฝุ่นเป็นอะไรพอถูกน้ํามันก็หลุดได้แต่สิ่งที่มันเหนียวกว่านั้นที่มันติดอยู่ถ้าใช้น้ําอย่างเดียวก็ไม่พอ ถ้าต้องการให้มันหลุดออกไปอย่างราบคาบก็ต้องใช้ผงซักฟอกผงสักฟอกในของใจก็คือการภาวนาการเจริญสมถะ ภ, ภาวนาวิปัสนาภาวนานี่คือเรื่องของการชำระจิตใจเพื่อยุติการมาเล่นละครบทต่างๆของจิตใจ ถ้าเราไม่ซักพอก จ, จิตใจไม่กาจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจกิเลสตัณหามันจะเป็นตัวดันให้เรามาเล่นละครอยู่เรื่อยให้เรามาทำบุญบ้างมาทำบาบ้างแล้วพอเราตายไปเราก็ไปรับผลบุญผลบาปด้วยการไปเล่นเป็นตัวละครชนิดต่างๆจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหา ยังมีกามตัณหามีภาวะตัณหามีวิภาวะตัณหาอยู่ในใจของพวกเราถ้าไม่อยากจะกลับมาเล่นละครเล่นบทต่างๆเราก็ต้องชาระใจของเราให้สะอาดให้ได้เราต้องทําบุญทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาเราก็ทำจากน้อยไปหามาก ถ้าเราทํามากๆตอนต้นเราอาจจะทําไม่ไหวเราก็เลยต้องทําตามกําลังของเราก่อนมีกําลังมากก็ทําได้มากมีกําลังน้อยก็ทําได้น้อยแต่ต้องทําให้ได้เต็มที่ถึงจะสามารถที่จะซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้การทําทาน ก็ถ้าทำเต็มที่ก็ต้องทำหมดเนื้อหมดตัวคือของที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ใช้อันนี้เอาไปทำบุญให้หมดเก็บไว้ให้ใช้แต่กับสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจจัยสี่บางคนถ้าไปบวชได้ก็ไม่ต้องเก็บไว้เลยมีสมบัติเก้าของเงินทองเท่าไหร่ก็สละไปหมด เช่นพระพุทธเจ้าเนเวลาออกบวชนี้พระองค์ไม่ได้เอาสมบัติติดตัวไปเลยนอกจากเสื้อผ้าที่พระองค์ทรงสวมใส่อยู่เพียงชุดเดียวแต่นั้นเองแล้วขณะไปเดินทางไปกลางทางก็ไปพบกับขอทานขอทานเห็นพระองค์ใส่เสื้อผ้าที่สวยก็อยากได้ขอแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าของขอทานพระพุทธเจ้าก็ยินดีสละเพราะทรงเห็นว่า พระอคจะไปเป็นนักบวชไปเป็นขอทานแล้วไม่จะเป็นที่จะต้องใส่ชุดของเจ้าชายอีกต่อไปนี่สละหมดเลยของที่มีอยู่ในวังนี้พอออกมาพ้นวังแล้วสละไปหมดเสื้อผ้าก็เปลี่ยนกับขอทานอยู่แบบขอทานอยู่แบบฤาษีชีไพรสมัยก่อนเขาไม่มีผ้าบวชมีเครื่องแบบอย่างสมัยนี้สมัยก่อนเขา ใช้เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆผ้าบางทีก็เป็นผ้าบางสกุลผ้าที่เขาเก็บมาจากป่าช้าผ้าหอ่อศพพราะนักบวชเขาไม่มีรายได้เขาไม่มีเงินเดือนเขาไม่มีอาชีพเขาเลี้ยงอาชีพด้วยการขอทานตอนเช้าก็เข้าไปในหมู่บ้านขออาหารจากชาวบ้าน พอได้หารพอเพียงเขาก็กลับเข้าไปอยู่ในป่ากลับไปบำเพ็ญเขาต้องการที่จะไปชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเขาให้หมดสิ้นไปพอเขารู้ว่าไอ้ตุนี่คือตัวที่พาให้เขาต้องมาทุกมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อ ย, อยนี่คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทำทานแบบเต็มที่ ก็คือสละหมดแล้วก็เพราะว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มันเป็นสมอเรือเข้าใจมเวลาเราจะนั่งเรือไปไหนมาไหนนี่เราต้องถอนสมอถ้าไม่ถอนสมอมันก็ไปไหนไม่ได้เรือมันก็ถูกสมอดึงเอาไว้เวลาที่เขาจะออกเรือกันเขาถึงต้องมีการถอนสมอจิตใจที่ต้องการจะไป ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่พระนิพพานนี่ก็จาเป็นจะต้องถอนสมอเลยถ้ายังไม่ถอนสมเอเรืยยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่จิตใจมันก็มาห่วงมากังวลกับทรัพย์สมบัตินมันจะไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติภาวนาเพื่อตัดความอยากต่างๆได้เพราะความอยากที่ยังติดพันกับทรัพย์สมบัติมันยังมีอยู่ ตัดยากต้องตัดความอยากกับสิ่งภายนอกก่อนความอยากรักษาทรัพย์สมบัติไว้อันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะชำระความอยากนั่นเองนั้นผู้ที่ต้องการที่จะกำจัดความอยากต่างๆก็ต้องกำจัดความอยากในทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองก่อนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นตัวอยา่าง หรือนักบวชทั้งหลายในสมัยพระพุทธการหรือสมัยนี้ก็เหมือนกันเวลาบวชนี้เขาก็ไม่มีสมบัติติดตัวไปเขามีสมบัติเพียงแปดชิ้นเท่านั้นเองที่เรียกว่าอัฏฐบริคารพระสงฆ์นักบวชนี่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีสมบัติแปดชิ้นได้กันเรียกว่าอัฏฐบริขารเป็นสมบัติที่จำเป็นต่อการดารงชีพ เป็นปัจจัยสี่ความจริงเป็นปัจจัยสองคืออาหารอาหารก็ได้จากการบินทบาตการบินทบาตก็ต้องมีบาทบาทหนึ่งใบเครื่องนุ่งห่มก็มีผ้าไตรจีวอนมีผ้าสามผืนคำว่าไตรแปลว่าสจีวอนแปลว่าผ้าผ้าหม่มผ้านุง่งผ้ากันหนาว ถ้ามีสมบัติสำหรับเครื่องนุ่งหมนี้มีอยู่สามชิ้นสี่ชิ้นมีเข็มขัดรัดเอวอีกชิ้นหนึ่งผ้าสามผืนที่รัดเอวหนึ่งหนึ่งชิ้นเป็นสี่บาท1หนึ่งใบเป็นห้าแล้วก็เข็มกับได้ไว้สำหรับซ่อมเวลาจีวรขาดเป็นหกเจ็ดคือมีดโกนไว้สำหรับปรงหนวดปรงผม แล้วกระคือที่กองน้ําสมัยก่อนเขาต้องตักน้ําตามลําห้วยลําธารขึ้นมาดื่มสมัยพุทธกาลไม่มีน้ำประปาไม่มีน้ําขวดจะดื่มน้ําต้องไปตักน้ําตามลําห้วยลาําธารซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์ถ้ามีตัวสัตว์มาดื่มก็เป็นการทําลายชีวิตฆ่าสัตว์ นักบวชก็เลยต้องเวลาตักน้ำต้องมีที่กองตักตักแบบที่จะได้แต่น้ำขึ้นมาจะไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยนี่คือสมบัติของนักบวชมีเท่านี้แล้วจะสบายจะไม่ต้องมาภวะภาวนากังวลกับทรัพย์สมบัติที่ที่มีอยู่ถ้ามีทรัพย์สมบัติก็ต้องห่วงใหญ่ลวจะอยู่ปลอดภัยหรือเปล่า แล้วจะขึ้นหรือจะลดเนี่ยมันเงินทองนี่มันขึ้นได้ลดได้นะอยู่เฉยๆอยู่ในธนาคารนี่บางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลดหรือถ้าไปไปไปร่วมหุ้นไปซื้อเป็นหุ้นมาก็มีขึ้นมีลงอีกธนาคารก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวธนาคารเกิดเจ๊งไปก็หมดได้ถ้ามีทรัพย์สมบัติมันก็จะต้องภาวะพาวันกับ เรื่องราเหล่านี้เพราะยังอยากรักษาทรัพสมบัติไว้นั่นเองแต่ถ้าตัดไปแล้วมันสบายใจความอยากความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพสมบัติมันก็จะหายไปอันนี้นี่คือข้อที่หนึ่งเรื่องของการทำทานอันนี้เป็นการทำทานแบบเต็มที่นานๆจะพูดแบบเต็มที่ให้ฟังสักทีส่วนใหญ่ก็พูดแบบแบบ แบบยังไม่เต็มที่คือแบบที่เริ่มต้นแบบเ้นต้นก็มีเงินเท่าไหร่สมมติมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ก็แบ่งมาทําสักร้อยละสิบร้อยลห้าบางคนเขาจะมีงบประมาณเช่รายได้เขามีเดือนละเท่าไหร่เขาก็จะทํางบว่าอแบ่งไว้ร้อยละสิบไว้สําหรับทําบุญทําทานร้อยลห้าสิบไว้สําหรับค่ากินค่าอยู่ ร้ลยละสี่สิบที่เหลือเอาไว้เที่ยวเอาไว้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือหรือแบ่งไว้ร้อยละยี่สิบไว้สำหรับเก็บไว้สำหรับยามเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ต้องมีแบ่งปันเงินทองถ้ายังต้องอยู่ในโลกถ้ายังไม่ออกบวชก็ยังจาเป็นที่จะต้องมีเงินทองแบ่งไว้เพื่อทำอะไรต่างๆก็จะทำบุญได้ไม่มาก แต่ถ้าพร้อมที่จะไปบวชเนี่ก็สามารถที่จะสละเงินทองที่มีอยู่ไปให้หมดได้อย่างนี้เรียกว่าทาบุญเต็มที่ข้าหมายของการทาบุญนี้ก็เพื่อที่จะฝึกใจให้เราปล่อยวางไม่ให้ยึดติดกับข้าวของเงินทองนั่นเองให้มีเท่าที่จาเป็นมีแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะได้ไม่โลภมากจะได้ไม่หามาก พรถ้าโลภมากหามากมันก็จะทําให้ติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปไเรื่อยๆการที่จะหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องหยุดการความอยากได้เท่าของเงินทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้เลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผลพทธะ ผู้ที่ไปบวชจริงๆเขาไปแบบนี้เขาไม่เอาแล้วลาบยศสัลเสริญรูปเสียงกลิ่นลดเพราะเขาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความทุกข์ที่เกิดเวลาที่จะต้องสูญเสียลาบยศจัลเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลินกายไปเขาเหมือนเขาเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับยาเสพติดเวลาได้เสพก็มีความสุข แต่เวลาไม่ได้เสพก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเขาก็เลยยินดีที่จะสละทําทานเพื่อที่จะได้ไปรักษาศีลไปภาวนาให้ได้อย่างเต็มที่อันนี้นี่พูดถึงการปฏิบัติแบบเต็มที่ที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ต้องทําอย่างเต็มที่ทานก็ต้องทํา เต็มที่ศีลก็ต้องรักษาตลอดเวลาแล้วก็ต้องรักษาศีลที่สูงขึ้นไปคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปถึงศีลสิบหรือศีลสองรอยิบเจ็ดอันนี้แล้วแต่สถานะของการไปเป็นนักบวชก็จะเป็นนักบวชในระดับไหนก็ถือศีลระดับศีลแปดนี้สําหรับผู้ที่เริ่มต้นผู้ที่ต้องการซ้อมก่อนทดลองก่อน ผูยังเป็นผู้ที่ยังเป็นผู้คองเรือนอยู่ยังมีภาระหน้าที่การงานมีหน้าที่กับครอบครัวกับอะไรต่างๆอยู่แต่อยากจะลองเป็นนักบวชก็ลองเอาวันใดวันหนึ่งที่เป็นวันสะดวกเช่น ว, วันพระวันว่างจากการทำงานทําการวันหยุดทำงานแล้วก็มาถือศีลแปดแล้วก็มาลองภาวนาหรือมามาฝึกวิธีสักพอก กิเลสตัณหาให้มันออกไปจากใจอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นก่อนที่จะมาถือศีลแปดได้ก็ต้องหัดถือศีลห้าให้ได้ก่อนแล้วการที่จะถือศีลห้าได้นี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีใจบุญใจกุศลก่อนถ้าไม่ไม่มีใจบุญกุศลถ้าไม่ชอบทำบุญทาทานจะเสียดายเงินทองเพราะคนที่ ไม่ชอบทำบุญทำทานเพราะก็อยากจะเอาเงินไปเที่ยวกันนั่นเองอยากจะเอาเงินไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าดีกว่าซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าดีกว่าซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆดีกว่าเอามาทำบุญไม่ได้อะไรมันมีต่เสียนี่คือพวกคนที่ไม่เห็นความสำคัญของการทำบุญไม่รู้ว่าการทำบุญนี้เป็นเป็นการ ปลดล็อกตัวเองใ ห, ห้หลุดจากการต้องมาเล่นละครอยู่เรื่อยๆหยุดการเกิดแก่เจ็บตายต้องหยุดการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การทําบุญทําทานก็เป็นวิธีที่เราจะหยุดกามาตัณหาในระดับหนึ่งนี่เอง เพรเงินทองนี้เป็นเครื่องมือที่เราใช้ตอบสนองการมตัญหาของเราเห็นอะไรสวยก็อยากได้นี่ก็เป็นความอยากทางตาแล้วได้ยินเสียงอะไรไพเราะก็อยากได้อันนี้ก็เป็นความอยากทางหูแล้วได้ลิ้มรสอะไรอร่อยก็อยากจะรับประทานอันนี้ก็เป็นความอยากทางลิ้นได้ดมกลิ่นอะไรที่ชอบก็อยากนะซื้อน้ำหอมขวดละหลายหลายพันนี่เห็ น่าหอมขวด น, นิดเดียวแต่ราคาเป็นพันใช่เพราะกลิ่นมันมันถูกออกถูกใจได้สัมผัสกับกลิ่นแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขนี่คือคนที่ไม่ทำบุญสายที่เขาไม่ทำบุญเพราะว่าเขาอยากจะเอาเงินมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกร่างกายเพราะใจของเขานี้หิวโหวยกับความสุขแบบนี้เขาไม่เห็นคุณค่าของการทำบุญ ว่าเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราตัดความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายได้เช่นถ้าเรามีความอยากจะซื้อของอะไรแล้วเราไม่ซื้อเอาเงินที่เราจะซื้อนี้ไปทําบุญต่อไปความอยากจะซื้อของเหล่านั้นก็จะหายไปเหมือนคนที่อยากจะสูบบุหรี่ทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่จะเอาเงินไปซื้อบุหรี่ก็เอาเงินไปทําบุญก็จะไม่มีเงินซื้อบุหรี่ เมื่อไม่มีเงินซื้อบุหรี่ก็ไม่มีบุหรี่สูบเมื่อไม่มีบุหรี่สูบถ้าทนไหวต่อไปก็เลิกสูบบุหรี่ได้เพราะความอยากมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากนี้ความอยากมันจะเบาลงไปแล้วมันจะหายไปในที่สุดเช่นเดียวกับการอยากจะใช้เงินซื้อตังซื้อความสุขชนิดต่างๆนี่ ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณคือรู้ว่ามันจะทำให้เราติดติดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราชอบสิ่งเหล่านี้พอเราตายไปเดี๋ยวกิเลสตัณหามันก็จะลากให้เรากลับมาเกิดใหม่ให้เรามาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ถ้าเราใช้เงินทองเพื่อที่จะไปตอบสนองความอยากเราก็ต้องหยุดมันทุกครั้งได้ความอยาก ให้ต้องการให้เราเอาเงินไปซื้อของมาตอบสนองความอยากเราก็บอกว่าไม่จะเอาเงินไปทําบุญแทนอพอเราเงินไปทําบุญบุญนี้จะช่วยให้เร า, เาไม่ทรมานใจเพราะว่าเวลาทําบุญแล้วจะทําให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มอีกแบบหนึ่งจะทําให้ความหิวโหยที่เกิดจากการไม่ได้ทําตามความอยากนั้นไม่ไม่ทรมานใจะ แต่ถ้าอยากซื้ออะไรแล้วเก็บเงินไว้เฉยๆเดี๋ยวทนได้ไม่นา น, นเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปซื้อเองถ้ายังมีเงินอยู่แต่ถ้าเอาเงินไปทําบุญแล้วมันก็หมดเงินที่จะไปซื้อแล้วการทําบุญก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจมีความสุขใจถ้าเราต้องถ้าเราทําบุญในชนิดที่เราชอบน เราควรจะทำบุญชนิดที่ทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขใจอย่าไปทำบุญในชนิดที่เราไม่รู้ไม่มีความรู้สึกว่ามีความสุขใจเช่นช่วงนี้มีคนเอาซองกระถินมาแจกอยู่เรื่อยๆเนี่ยบางทีเราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่าเรามีความสุขใจเพราะเหมือนกับถูกจี้มากกว่าถูกบังคับมากกว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเงินที่ค่ายไปนี้จะไปถึงไหนจะไปทำอะไรบ้าง แต่ถ้าเรารู้ว่าการเสียสละเงินทองของเรานี้จะทําให้มีเกิดประโยชน์กับบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้พอเห็นเขาได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากเดือดร้อนจากการเสียสละจากการทําบุญของเรามันก็จะทําให้เรามีความอิ่มอบใจขึ้นมาบางคนก็ชอบไปปล่อยสัตว์ไงเพราะก็เห็นว่าสัตว์นี้เดี๋ยวก็จะต้องถูกฆ่าแล้ว ถ้าไปซื้อราสตร์ที่เขาจะเอาไปข้านี้เอาไปเอาไปปล่อยนี้มันจะทำให้รู้สึกมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจความอิ่มเอบใจนี้มันจะทำให้เราสามารถทนอยู่ทนสู้กับความอยากที่จะเอาเงินทองไปซื้อของตามความอยากต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่เอาเงินทองไปทำบุญเพียงแต่ห้ามใจว่าไม่ซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหว ถ้ายังมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วก็ยังมีความอยากจะซื้ออยู่เดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวแต่ถ้าเอาเงินไปทำบุญนี้นเงินไม่มีในกระเป๋าแล้วอยากยังไงก็ซื้อไม่ได้ละมันก็จะรู้สึกไม่ทรมานเพราะว่าการทำบุญนี้มันทาให้เรามีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจบางทีมีความปลื้มปิติน้าตาไหลก็มี อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทาบุญทาทานเพื่อชาระกิเลส ต, ตัณหาของเราใ น, ในระดับแรกๆยังไม่หมดอันนี้เป็นตัวอย่างกิเลสมันมี้เหมือนกับคราบสกปรกมันมีหลายระดับด้วยกันมันก็ใช้ใชน้ำบ้างต้องใช้ผงซักฟอกบ้างต้องใช้ขยี้บ้างต้องใช้แปรงต้องขัดบ้างมันถึงจะหลุดออก อันนี้ก็เหมือนกันกิเลส ท, ที่มีอยู่ในใจของเรามันก็มีแบบที่หลุดง่ายหลุดยากกิเลสบางตัวก็หลุดได้ด้วยการทําบุญทําทานกิเลสบางตัวก็หลุดได้ด้วยการรักษาศีลศีลห้ากิเลสบางตัวก็ต้องรักษาศีลแปดมันมีหลายระดับด้วยกันเราจึงต้องเก้าพัฒนาการปฏิบัติของเราจากง่ายไปหายาก การทําทานนี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเนี่ยทำบุญทําทานนี่ง่ายกว่าการรักษาศีลรักษาศีลห้าก็ง่ายกว่ารักษาศีลแปดเนีรักษาศีลแปดก็ง่ายกว่ารักษาศีลสองอยิบเจ็ดเนี่ยมันมีความยากง่ายที่ผู้ปฏิบัติจะต้องฝึกฝนแล้วก็ก้าวขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปพอได้มีการพัฒนามันก็จะมีกําลังที่จะก้าวขึ้นไปได้มีพอมีการกระทํา พอเราเริ่มทําบุญทำทานอยู่เรื่อยๆเราเห็นผลของการทําบุญว่ามันมีประโยชน์กว่าการเอาเงินไปเที่ยวเราก็จะเปลี่ยนการใช้เงินทองจากการไปเที่ยวมาทําบุญทำทานได้พอเราทําบุญทำทานเราก็จะมีความเมตตากรุณามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราก็จะไม่อยากจะทําบาปเราก็จะรักษาสี่ห้าได้อย่างสบาย คนที่ไม่ทำบุญทำทานนี่มักจะรักษาสีลไม่ได้เพราะว่าต้องการที่จะหาเงินมาใช้กับตนเองแล้วถ้าจำเป็นจะต้องทำบาปก็ไม่สนใจกับความเดือดร้อนของผู้อื่นขอให้ได้เงินทองที่ตนเองต้องการยังมีขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดพวกนี้เขาไม่ทำบุญไม่เคยทำบุญมีแต่อยากจะหาเงินมาใช้อย่างเดียว ใช้กับความอยากของตอนเองแล้วพอเงินไม่พอต้องไปขโมยก็ไม่ไม่มีความรู้สึกคิดยับยั้งว่าจะไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเพราะความอยากมันครอบงมจิตใจมันทรมานจิตใจมันเลยต้องไปทำถ้าต้องทาบาปก็ต้องทําก็จะมารักษาศีลไม่ได้คนที่ไม่ทาบุญทาทานจะมารักษาศีลไม่ได้ คนที่ทำบุญทำทายแล้วจะมารักษาศีลได้ง่ายแล้วพอรักษาศีลห้าได้ก็ต่อไปก็เพิ่มเป็นศีลแปดได้วันที่วันไหนที่อยากจะมาชำระใจให้สะอาดมากขึ้นก็มาถือศีลแปดเพื่อที่จะได้มีเวลามาฝึกฝนอบรมมาภาวนามาชำระกิเลสตัณหาที่ชนิดที่ละเอียดให้หมันหมดไปจากใจ กิเลสตันหานี่มันมีหลายระดับระดับทานระดับศีลห้าระดับศีลแปดระดับสมาธิระดับปัญญาเนี่ยนี่คือเครื่องซักฟอกจิตใจในระดับต่างๆที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่งค้นพบเป็นผู้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นผงซัพฟอกที่จะกมจัดกิเลสตันหาต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไป เพราะว่าถ้าไม่ไม่กำจัดกิเลสตัณหามันก็จะบีบบังคับให้เรามาเล่นเป็นตัวละคร บ, บทต่างๆอยู่เรื่อยๆให้เรามาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้เรามาทำบาปเพื่อเราจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากได้พอเราทำบาปแล้วเวลาเราตายไปเราก็ต้องไปเล่นบทที่ไม่ดีเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ดีถ้าเราโชคดีเราไม่ต้องทาบาปเรามีโอกาสได้ทาบุญ ตายไปเราก็ไปเล่นเป็นบทที่ดีไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมได้แต่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังไม่ได้กำจัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากจิตจากใจจะกำจัดให้มันหมดได้นี้ต้องนอกจากการทำบุญละบาปแล้วคือการทำทานรักษาศีลแล้วต้องมาภาวนาด้วยเพราะว่า การทำบุญทําทานการรักษาศีลนี้จะกําจัดกิเลสบางชนิดเหมือนน้าที่กําจัดคราบสกปรกบางชนิดได้แต่ไม่หมดยังต้องมาซักฟอกและวบางทีต้องมาขัดขนาใช้ผงซักฟอกแล้วบางตัวมันยังไม่ยอมหลุดก็ต้องใช้การขัดอย่างในเครื่องเขาก็มีการปั่นมีการโยกไปโยกมาให้มีกา ร, ม, การมีการเคลื่อนไหว มีการเขย่าให้สิ่งที่มันติดอยู่ในเสื้อผ้าให้มันหลุดออกไปถึงต้องถ้าต้องการที่จะกําจัดให้ครบ1้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยต้องปฏิบัติให้หมดต้องทำทานรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดหรือรักษาศีลสองอยิบเจ็ดแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบเรียกว่าสามถภาวนา แล้วพอได้สมถะภาวานาก็ให้ไปปฏิบัติวิปัสสนาภาวานาให้ใช้ปัญญามากำจัดกิเลส ช, ชนิดที่ละเอียดที่สุดให้มันหมดไปจากจิตจากใจนี่อันนี้เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเล่นเป็นตัวละครชนิดต่างๆตอนนี้เรามาเล่นเป็นมนุษย์กันเดี๋ยวเวลาเราตายนี่ บุญกับบาปที่เราทำนี้จะมาเป็นตัวแย่งเราให้เราไปสแสดงบทดีแลอบทไม่ดีถ้าเป็นบุญที่มีกำลังมากกว่าบาปมันก็จะให้เราไปเล่นเป็นเทวดาไ ป, ไ ป, ไปเป็นพรหมไปอยู่ในสวรรค์ถ้าบาปมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงให้เราไปเล่นเป็นเดราชานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสู ร, รกายบ้างไปอยู่ในนรกบ้าง อันนี้เป็นสิ่งที่เรายับยั้งไม่ได้ถ้ามีการทําบุญทําบาปแล้วผลมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้ปลูกต้นผลไม้แล้วถ้าปลูกไว้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจริญงอกงามแล้วต่อไปมันก็ต้องออกดอกออกผลปลูกส้มมันก็จะได้ส้มปลูกกล้วยมันก็จะได้กล้วยปลูกอะไรมันก็จะได้อย่างนั้นทำบุญก็จะได้ไปสวรรค์ ทำบาปก็จะไปอบายถ้าชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็ไปนิพพานไปที่ไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปได้ได้ทรงได้ทรงปฏิบัติตามจนทำให้จิตใจของพระ อ, องค์นี้สะอาดบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากการที่จะต้องมาเล่นเป็นตัวละครชนิดต่างๆอีกต่อไปพระพุทธเจ้าเลิกเล่นละครนะไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นประสงค์ประทับอยู่ในพระนิพพานที่มีแต่ความสุขตลอดเวลามีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลาไม่มีความทุกข์แม้แต่นิดเดียวเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะองค์จึงมีความเมตตาสงสารพวกเรา ที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรพวกเราเป็นเหมือนเด็กไร้เดียงสาไม่รู้ว่าเราเป็นใครแม้กระทั่งตัวจริงแท้จริงของเราคืออะไรเราก็ไม่รู้เราไปคิดว่าร่างกายที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราร่างกายนี้มันเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งนั่นเองทำมาจากดินน้ำลมไฟอาหารที่เรากินเข้าไปก็มีมีดินมีน้ำผสมกันมีน้ำที่เราดื่มก็เป็นน้า ลมหายใจที่เราดมหายใจเข้าไปก็เป็นลมความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายก็เป็นไฟนี่คือความจริงของร่างกายทำมาจากธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อมารวมตัวกันก็มาทำให้เกิดเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อพอใจของเราที่เป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายมาเกาะใจก็เลยไปคิดว่าเป็นร่างกายไป ใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเพียงแต่มาเกาะมาอาศัยร่างกายอาศัยตาหูจมูกเล่นกายเพื่อที่จะได้เห็นรูปเสียงได้เห็นได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพัชชนิดต่างๆเพื่อที่จะทำให้เกิดความสนุกสนานเกิดความเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวในช่วงที่หาความสุขเหล่านี้ก็ก็อาจจะมีการทาบุญบ้างมีมีการทาบาบ้าง ถ้าหาได้มากก็แบ่งให้คนอื่นหาเงินได้มากก็แบ่งให้คนอื่นก็เป็นการทำบุญถ้าหาไม่พอก็ต้องไปขโมยของคนอื่นมาก็เป็นการทำบาปเราก็จะมีการทำบุญทำบาปสลับกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ในชีวิตของเราพอชีวิตของเรามีเหตุการณ์ที่ผันแปรไปเรื่อยๆมีการเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดี บางวันเงินหลายข่องบางวันก็บางวันเงินก็ไม่หลยล่องเศรฐกิจผืดเครื่องก็มีมีขึ้นมีลงทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมใจของเราให้อยู่ในสภาพที่ไม่ต้องทำบาปได้หรือไม่ถ้าเรารู้จักควบคุมความอยากรู้จักใช้เงินใช้ทองให้มันเหมาะสมกับรายได้ของเราโอกาสที่เราจะไปทำบาปก็จะ ไม่มีหรือมีน้อยแต่ถ้าเราควบคุมความอยากของเราไม่ได้ควบคุมการใช้เงินของเราให้มันอยู่ในขอบเขตของรายได้ของเราไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินยิ่งสมัยนี้เขามีวิธีร่อให้เราเป็นหนี้เป็นสินได้ง่ายมีบัตรใบเดียวไม่มีเงินแต่ให้รูดได้เอาของไปก่อนแล้วจ่ายทีหลังที่จะไปซื้อมากๆรูดมากๆ ม, มันจ่ายไม่ไหวสิ เวลาเงินเดือนออกนี่มันต้องแบ่งไปใช้อย่างอื่นด้วยนอกจากใช้นี่แล้วยังต้องเอาไปกินเอาไปใช้อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นนี่เป็นสินขึ้นมาแล้ว ถ, ถ้าถูกบีบบังคับก็บางทีก็ถ้าหยุดทางานมีช่องโอกาสช่อโกงก็อาจจะช่อโกงยกักยอกเงินของบริษัทที่ตนเองทําอยู่ก็ได้อันนี้แหละคือเรื่องของกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความ วุ่นวายใจสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่จิตใจตัวที่คอยส่งให้จิตใจของเราต้องไปเป็นอะไรต่างๆนี่เกิดจากกิเลสตัณหาความอยากทั้งสามนี้ท่านั้นเองกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพออยากได้แล้วมันอยู่ไม่เป็นสุขมันต้องไปทําในสิ่งที่อยากได้พระพุทธเจา้าจึงส่งสอนให้พวกเรามา สู้กับความอยากกันดีกว่ามันอาจจะยากหน่อยมันรู้สึกทรมานหน่อยก็ขอให้คิดว่าเป็นเหมือนกับการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นรักษาตัวหมอบางทีก็ต้องเจาะบางทีก็ต้องให้ฉีดยาบางทีก็ต้องผ่าเพื่อที่จะรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ตอนนี้รักษามันก็ต้องปวดต้องทรมานแต่พอรักษาหายแล้วทีนี้ก็สบาย อันใดการมาชำระจิตใจของเราก็เป็นเหมือนกับการมารักษาจิตใจของเราที่เป็นคนป่วยอยู่ในขณะนี้ป่วยด้วยโรคของกิเลสตัณหาเราต้องใช้ยาวิธีบำบัดคือทานศีลภาวนาของพระพุทธเจ้าที่พวกเราไม่ค่อยชอบกันเพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจกิเลสตัณหามันมีแต่อยากจะได้เงินมันไม่อยากจะเสียเงิน เหตุนเวลาบอกให้มาทําบุญทําทานนี่มันควักยากแต่ถ้าให้บอกให้มันควักไปซื้อท้าซื้อของนี่มันควักได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาที่เราต้องมาสู้กับมันเน้นไปยาบังคับให้มันควักมาทังควักเงินมาทําบุญดีกว่าดีกว่าควักเงินไปซื้อของตามกิเลสเพราะถ้าตามใช้ตามกิเลสแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอความสุขที่ได้ก็เดี๋ยวเดียว พออยากได้อะไรมาพอได้มาใหม่ๆก็ดีใจมีความสุขพอไปวันสองวันสิ่งที่ได้มาไม่มีความหมายแล้วเป็นเสื้อผ้ามีอยู่เต็มตู้ไม่มีความหมายแต่เสื้อผ้าที่อยู่ในร้านในร้านนี่ทำให้ใจร้อนขึ้นมาทันทีแต่เสื้อผ้าอยู่ในตู้ไม่เคยสนใจด้วยคิดอามาใส่เลยกิเลสมันหลอกเรา อยากให้เราไปหาของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเพราะมันมันไม่ชอบของจำเจเขาเนี่ไมพอเห็นอะไรจำเจอยู่สักพักมันก็เบื่อพอเห็นของแปลกใหม่หน่อยมันก็อยากขึ้นมาทันทีซื้อมาเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันพอเพราะความพอมันไม่ได้เกิดจากการทาตามความอยากการจะทำให้จิตใจพอต้องหยุดความอยากต้องเลิกความอยากพอเลิกความอยากได้แล้วมันก็จะพอเอง นันละเราจึงต้องมาทำทานกันเพื่อลดความอยากในเรื่องของการใช้เงินไปตามความอยากมารักษาศีลเพื่อลดการกระทำบาปตามความอยากมารักษาศีลแปดเพื่อลดการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็มาภาวนามาหยุดความอยากด้วยสติแล้วก็มาใช้ปัญญากาจัดความอยากให้มันหมดสิ้นไปจากจิตจากใจอย่างถาวร น, นี่คือ ขั้นตอนของการที่เราจะมายุติการมาเป็นตัวละครของพวกเราตอนนี้พวกเราเป็นเหมือนตัวละครเดี๋ยวละครเรื่องนี้จบคือพอร่างกายนี้ตายไปเรื่องนี้ก็จบเราก็ต้องไปเล่นละครเรื่องใหม่ก็อยู่ที่ผู้กำกับคือกฎแห่งกรรมที่เราทำกันไว้ทำบุญทำบาปบุญมันก็จะกำกับให้เราไปเล่นเป็นบทที่มีความสุขมีความสบาย ถ้าบาปมันก็จะกําหนดให้เราไปเล่นบทที่มีแต่ความทุกข์ยากลําบากอันนี้แล้วก็จะพอไปแเดี๋ยวพอหมดบุญหมดบาปก็มาให้กลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากที่อยากหาความสุขทางร่างกายยังไม่หมดก็จะกลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่มาทําบุญทําบาปใหม่ก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะโชคดีมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละ เราไม่พบจะไม่มีใครบอกเราเรื่องของเราว่าเราเป็นอะไรกันทุกคนก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายกันแล้วก็ทำบุญทำบาปทำดีทำชั่วเดี๋ยวตายแล้วก็จบจะคิดอย่างนี้กันทั้งนั้นเพราะไม่เห็นว่าใครเป็นใครจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเมื่อร่างกายตายไปก็กลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกก็เลยไม่มีใครคิดว่าะจะต้องไปผลกรรมต่อไปรับผลบุญต่อไป ใครคิดว่าจะต้องกลับมาเกิดใหม่กันนะแล้วทําไมเราทําไมถึงมีการเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆก็พวกที่ตายไปนี่นแหละพอไปใช้บุญใช้บาปหมดก็ไปรอไปหาร่างกายอันใหม่พอมีการสร้างร่างกายอันใหม่ดวงวิญญาณก็ไปเกาะติดร่างกายอันใหม่นั่นแล้วก็ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือหาความสุขใหม่แล้วก็ทําบุญทําบาปใหม่แล้วก็ตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปใหม่ อันนี้ไม่มีใครรู้ถ้าไม่มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้คนแรกเมื่อรู้แล้วก็เอามาสั่งมาสอนเป็นพระธรรมคําสอนแล้วผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามก็สามารถรู้เห็นได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์กับพระธรรมคําสอนก็จะเป็นผู้ที่จะมาสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนความจริงเหล่านี้ให้กับพวกเรา พวกเราถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็โชคดีได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังถ้าไปฟังศาสนาอื่นก็อาจจะได้ยินได้ฟังแบบไม่ครบร้อยเปอร์เซได้ยินได้ฟังบางส่วนทุกศาสนาก็สอนเรื่องกรไปสวรรค์ไปนรกกันแต่ไม่ได้สอนเรื่องการยืการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมีแต่ศาสนาพุทธในเทนั้นที่ รู้ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดรู้ว่าใครไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วรู้วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดชาตินี้เป็นชาติที่โชคดีของพวกเราที่เราได้มาเจอความรู้วันนี้เราไม่ควรที่จะให้ความรู้วันนี้มันหลุดมือไปโดยไม่ได้รับประโยชน์ ควรที่จะศึกษาให้มากๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วเพื่อนำเอาไปปฏิบัติให้ได้แล้วปฏิบัติได้แล้วรับรองได้ว่าจะได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนไว้อย่างแน่นอนวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวไรวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิพเปเมวะสมิจจโุสัพเพปเรนทตสังกปาจันทูปนาระโสยทามนิโชติร拉โสยทาสสะพิติโยวิวัณ ฉันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคาโยโกภวะอะิวาธนสีริตสะนิจจงุทาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สามร้อยห้าสิบห้าสองร้อยสี่สิบสี่วิทยุออนไลน์ยี่สิบเก้าผู้รับฟังบนเขาหกสิบเจ็ดรวมทั้งสิ้นหกร้อยเก้าสิบห้าท่านค่ะ6 9รนะ้อยเก้าสิบห้าค่ะเกือบเจ็ดร้อยนะคำถามต่ อ, อไปค่ะคำถามจากคุณสุดาพร กราบนมัสการพระอาจารย์ลูกขอทราบความหมายของโซดาปฏิมักกับโซดาปฏิผลแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะมักก็คือเหตุที่จะทําให้เกิดผลเน จ, จะเกี่ยวข้าวก่อนจะเกี่ยวข้าวได้ต้องปลูกข้าวก่อนต้องไถานาต้องหวานข้าวปักดําแล้วก็ถึงจะมีการองอกต้นมีการเจริญเติบโตของต้นข้าวแล้วก็มีออกรวงข้าวเนี่ย ออกโรงนี่เป็นเรียกว่าเป็นผลของการของการปลูกข้าวของการทานาการทํานาการปลูกข้าวนี่เรียกว่ามรมรคือทางบันไดาทางไปสู่ผลโสดาปฏิมรค ก, ก็คือการปฏิบัติการเจริญปัญญาในระดับของขั้นโสดาบันคือการพิจารณาขันห่าว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา แต่ก่อนที่จะเข้าถึงปัญญาของโสดาปติของโสดาได้นี้ต้องมีเครื่องสนับสนุนคื อ, คอต้องมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงก่อนถึงจะเข้าก้าวขึ้นสู่ขั้นโสดาปติมรได้ถึงจะขึ้นไปพิจารณาขันห่าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางได้ พอปล่อยวางได้ก็จะได้โสดาปฏิพันธ์ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไม่เดือดร้อนพอสามารถแยกได้ด้วยปัญญาด้วยสมาธิว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวพระโสดาบันตัวพระสวสดาบันคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกาย ด้วยปัญญาก็เลยรู้ว่าไม่ไม่ใช่เป็นร่างกายแล้วก็รู้ว่าร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะผู้ที่ผู้ที่แก่เจ็บตายไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นใจไม่ได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเป็นเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองเป็นเจ้านายของร่างกายเป็นเหมือนกับคนขี่มา้าหรือคนที่ใช้มือถือ คนใช้มือถือรู้ว่ารู้ว่ามือถือนี่ไม่ใช่เป็นคนใช้รู้ว่ามือถือเดี๋ยวก็ต้องพัง laughed. เวลาพังคนใช้ก็ไม่ทุกขไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าไปหลงคิดว่าเป็นมือถือนี่เวลามือถือเป็นอะไรคนใช้จะเดือดร้อนขึ้นมาตอนนี้คนคนธรรมดาที่ไม่มีปัญญาจะคิดว่าร่างกายเป็ น, เ ป, นเป็นใจใจเป็นร่างกายใจคิดว่าคนใช้ร่างกายเป็นร่างกาย น่างกายเป็นอะไรคนใช้ร่างกายจะเป็นไปด้วยแต่พระสุวัสดิบานนี้แยกออกได้แยกคนใช้ออกจากคนรับใช้ได้หรือว่าคนรับใช้กับคนใช้เป็นคนละคนกันคนใช้ไม่มีวันตายคนรับใช้นี้ต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บแต่คนใช้ไม่เดือดร้อนคำถามจะคุณนัต ด, ดา พรุ่งนี้หนูจะรักษาศีลอุโบสถแต่แต่สมาท า, านศีลอยู่ที่บ้านอยากรู้ว่าหนูจะเปิดฟังธรรมจากโทรศัพท์จะเป็นการอันควรหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อการฟังธรรมนี้ไม่ไม่ผิดศีลแปดการฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาศีลแปดคือรักษาศีลแปดเพื่อเราจะได้มีเวลามานั่งฟังธรรมนั่นเองถ้าไม่รักษาศีลแปกก็นั่งดูทีวีได้ดู หนังดูละครดูภาพยนตร์ดูกีฬาดูอะไรได้แต่พอถือสินแปดก็ดูไม่ได้พอดูไม่ได้ก็ต้องมาดูธรรมะแทนดูได้ฟังเทศฟังธรรมได้แต่ระวังอย่าไปเปลี่ยนช่องให้ดูไปสักพักเดี๋ยวขอดูข่าวหน่อยเดี๋ยวจากข่าวขอดูบันเทิงหน่อยถ้าอย่างนี้ผิดศีลทันทีนะ คำถามจะคุณจินขอบกราบนมัส ก, การครับสอนใจอย่างไรใจจึงเป็นกลางในโลกธรรมได้อย่างถาวรครับออต้องปฏิบัติสอนอย่างเดียวมไม่มไม่เชื่อหรอกมันดือ้อกิเลสมันดือ้อต้องต้องหยุดกิเลสให้ได้มันถึงจะเป็นกลางต้องควบคุมหยุดความอยากความโลภได้มันถึงจะเป็นกลางถ้าปล่อยให้มันไม่ควบคุมมันเป็นแระสารมันไม่ฟังเราแล้ว สอนว่าอย่าโลภมันก็ยิ้มอย่าโกรธมันก็ยิ้มเดี๋ยวถึงเวลามันโลภมันก็โลภขึ้นมาเวลามันโกรธมันก็โกรธขึ้นมาแต่จะทําให้มันไม่โลภไม่โกรธต้องฝึกสติบ่อยๆควบคุมด้วยสติพุทโธพุทโธไปแล้วมันจะควบคุมความโลภความโกรธได้เป็นทัพักๆไปแต่ถ้าจะควบคุมอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาต่อต้องสนับสนุนด้วยปัญญาต้องใช้ทั้งสติทั้งปัญญา จึงจะสามารถทำใจให้เป็นกลางได้ตลอดเวลาจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วกราบนมัส ก, การค่ะการซื้อของทำบุญถ้าเราซื้อของหนึ่งแถมหนึ่งหรือของลดราคาตามโปรโมชั่นแต่คุณภาพเหมือนเดิมหรือยังไม่หมดอายุบุญที่ได้จะเท่ากับการซื้อตามปกติไหมคะเสียเงินเท่าเดิมแต่เราได้ของทำบุญมากขึ้น อ๋อของที่เขาขายนี้เขาขายยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขามไม่เกี่ยวกับบุญที่เราทำอ่าคือเราซื้อร้อยบาทได้ของเยอะของน้อยมันเราก็ได้บุญแค่ร้อยบาทไม่ใช่ว่าซื้ออ่าเราเราไปซื้อของที่เขาลดราคาถ้าเดิมทีมันเป็นสองร้อยแล้วเขาลดราคาเหลือร้อยหนึ่งแล้วเราคิดว่าเราซื้อซื้อของสองร้อยด้วยเงินร้อยบาท เราจะได้บุญสองร้อยไม่ใช่อย่างนั้นบุญก็ยังร้อยบาทอยู่มันอยู่ที่จำนวนเงินที่เราเสียไปวัดที่ตรงนั้นบางคนคิดว่าทำบุญแล้วขอขออนุโมทนาบัตรเพื่อที่จะไปลดหย่อนภาษีอันนี้เป็นการไปลดบุญของตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเข้าใจไหมเคยทำบุญน้อยนึงแล้วไปขอรับคืนสิบบาทก็เลยทำแค่เก้าสิบอย่างนี้ ก็เลยบุญแทนที่จะได้บุญร้อยก็ได้บุญ90สแทนถ้าอยากจะได้บุญร้อยก็อยากไปขอใบลดหย่อนภาษีมาเพื่อมาเอาเงินคืนกลับมาการลดหย่อนภาษีนี่เป็นการเป็นการเจตนาของของรัฐบาลว่าจะขอร่วมบุญด้วยขอร่วมทำบุญสิเปอร์เซ็นตแทนที่คุณจะทำร้อยบาทก็ให้คุณทำแค่9ก้าสิบ อีกิบบาทนี้ก็เป็นของรัฐบาลไปรัฐบาลมาร่วมทาบุญด้วยคือรัฐบาลก็อยากจะสนับสนุนให้คนทาบุญเพราะเห็นความสัมพันธ์ของศาสน า, าศาสนาเป็นที่กล่อมเกลาจิตใจของคนให้เป็นคนดีถ้าไม่มีศาสน า, ศามันก็จะไม่มีการสั่งสอนให้คนเป็นคนดีสังคมก็จะเละเทอไปด้วยคนไม่ดีทางรัฐบาลก็เห็นคุณค่าของศาสนา ก็เลยส่งเสริมให้คนทําบุญด้วยการมีเครื่องล่อใจว่าถ้าทําบุญแล้วจะได้ลดหย่อนภาษีได้แต่ถ้าคนทําบุญที่เข้าใจจริงๆก็จะรู้ว่าถ้าอยากจะได้บุญเพิ่มอย่างได้บุญเต็มน้อยก็อย่าไปขอลดหย่อนภาษีหรือถ้าลดได้ลดหย่อนก็เอามาทําต่อทีนี้ทางวัดก็จะได้น้อยสิบแต่ตัวเราก็ยังได้แค่ร้อยหนึ่งอยู่ดี วอเราเอาเงินที่เราลดหย่อนภาษีได้คืนมาเอาไปทำบุญเราก็เท่ากับเราทำเท่าเดิมแต่ทางวัดนี่ได้เพิ่มเพราะว่ารัฐบาลมาร่วมด้วยอีกสิบเปอร์เซนต์อย่างนี้แต่คนให้ก็จะเป็นสองฝ่ายไปคนได้บุญก็สองฝ่ายทางรัฐบาลกับทางทางคนบอยจากฉะนั้นขอให้เราดูปริมาณของการเสียสละของเรา ว่าเราเสียสละมากน้อยเท่าไหร่อย่าไปดูจํานวนข้าวของอย่างเดียวข้าวของมันมีราคาขึ้นขึ้นลงลงวันนี้ซื้อร้อยบาทได้ของเท่ากับราคาสองร้อยพรุ่งนี้ไปซื้อถ้าของมันแพงก็อ า, อาจจะได้ของราคาเท่ากับราคาห้าสิบาทก็ได้แต่เราก็ยังได้บุญ1้อยบาทเหมือนเดิมค่ะคำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะ รารวะสามารถบรรลุเป็นพระอริยะได้ถึงระดับใดคะใช่แค่โสดาบันไหมคะพอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจะดำเนินชีวิตเหมือนนักบวชไปเองอ๋อได้ได้ทุกระดับแหละถ้าได้โสดาบันแล้วมันจะไปเองอ่ะมันจะไปต่อมันไม่หยุดตรงนั้นหรอกเข้าใจไหมเหมือนคนจบปอตีแล้วก็จะต่อปอโทปอเอกไปเองนฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เป็นคารวะหรือเป็นพระอยู่ที่ว่าศึกษาและปฏิบัติหรือเปล่า ถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เป็นหลวงพ่อคะแล้วถ้าเราตายก่อนจะได้พระโสดาบันก็ตามาไก็ช่วยไม่ได้<ม>ก็ช่วยไม่ได้<ม>ก็แสดงว่าเราไม่ได้ไม่มีแสงสว่างติดตัวไปเราก็ยังมืดบอดอยู่ยังไม่เห็นกฎแห่งกรรมยังไม่เห็นเรื่องของตายรักว่าเป็นอย่างไรกลับมาเกิดก็เป็นเหมือนเดิมอาจจะได้ ในนิสัยที่เราทํามาถึงจุดนั้นถ้าเรามีนิสัยทําบุญรักษาศีลนั่งสมาธิเรากลับมาเราก็จะมาทําต่อได้แต่เรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นเหมือนเราเรียนจบแค่ม .6 นี่ชาหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็ค่อยมาสมาัครเข้ามาหาลัยได้ไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นที่ป .1 ใหม่เพราะบุญที่เราทํานี้มันจะเป็นนิสัยฝังอยู่ในใจเราถ้าเราทําเป็นนิสัยแล้ว ถ้าเราทำบุญเป็นนิสัยรักษาศีลเป็นนิสัยนั่งสมาธิเป็นนิสัยมันก็จะติดไปกับใจเราเหมือนกับนิสัยที่เราชอบใช้มือขวาหรือมือซ้ายเห็นมมันจะติดไปกับเราทุกชาติที่เรากลับมาเกิดน <t> ี่เราจะใช้มือที่เราถนัดทุกชาติที่เรามาเกิดเราจะกลับมาทำในสิ่งที่เราถนัดที่เราชอบทำเป็นนิสัยถ้าเราชอบทาบุญเป็นนิสัยกลับมาก็จะมาทาบุญ ถ้าชอบรักษาศีลก็จะกลับมารักษาศีลชอบภาวนาก็กลับมาภาวนาเอแต่อาจจะไม่ได้ไปขั้นสวดาบันได้ถ้าชาติหน้ามาไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนเอเพราะนี้ต้องมีพระพุทธศาสนาถึงจะสอนถึงจะบอกให้เราดูได้เพราะทุกชาติที่เรามาเกิดเราจะหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราทั้งนั้นนะมีพระพุทธเจ้าคนเดียวแล้วนั้นที่มีปัญญาที่จะแยกแยะว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละส่วนกัน ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไปทางระดับอริยเจ้าไม่ได้ก็จะไปได้แค่ระดับสมาธิเท่านี้กลาบขอบพระคุณค่ะจากคุณป่าการอาการปวดขาเม่อยหรือเวทนาที่เกิดจากการภาวนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีแก้การปวดจากสิ่งนี้อย่างไรบ้างครับเวลาปฏิบัติท่านไม่แก้หรอกท่านแก้ที่ใจ ท่านปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามเรื่องของมันท่านต้องการปล่อยวางร่างกายช่วงที่ท่านปฏิบัตินี้ต้องการปล่อยวางร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายก็มาฝึกสอนใจให้ปล่อยวางให้เฉยๆให้สักแตวรู้ให้เป็นอุเบกขาแต่พอท่านสาเร็จแล้วท่านก็ดูแลรักษาร่างกายเหมือนคนทั่วไปนะ เจ็บเมื่อยตรงไหนก็นวดบ้างจับเส้นบ้างปวดตรงไหนก็มียาทาก็าทาบ้างต้องไปหาหมอก็ไปบ้างอะไรอย่างนี้ทั้งก็รักษาไปตามอาการแต่จิตใจของท่านไม่มีความกังวลกับเรื่องของร่างกายแล้วความจริงจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แต่เนื่องจากเห็นว่ารักษามันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นท่านไม่ได้รักษาร่างกายของท่านเพื่อเป็นประโยชน์ของท่านเองเพราะประโยชน์ของท่านท่านได้แล้วได้ครบเต็มร้อยแล้ว แ่ถ้ามีร่างกายที่แข็งแรงก็จะสามารถอบรมสั่งสอนผู้อื่นได้ทาให้ผู้อื่นที่ไม่รู้ธรรมจะได้รู้ธรรมได้จะได้ปฏิบัติธรรมได้ถ้าท่านอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยสี่สิบห้าปีหลังจากที่ทรงตัดจารุรานี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อพระองค์เองเลยไม่ได้อยู่เพื่อพระองค์เองอยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่อโปรดสัตว์เนี่ยให้สัตว์โลกที่หูหนวกตาบอดจะได้หูตาสว่างขึ้นมา ด้วยการได้ยินได้ฟังรำรด้วยการนำเอาธรรมที่ทรงสอนไปปฏิบัติจึงปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจานวนมากถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่ไม่ทำภารกิจเพื่อผู้อื่นตัดสิรูแล้วนอนกับกินอย่างเดียวก็จะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าไปก็จะไม่มีใครรู้พระธรรมคำสอนไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะปฏิบัติที่จะทำให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ แต่ช่วงที่ท่านปฏิบัตินี้ท่านจะปล่อยวางท่านจะฝึกปล่อยวางปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความแก่ปล่อยวางความตายบางทีท่านต้องเอาร่างกายไปอยู่กับที่ที่มันใกล้เป็นใกล้ตายจะได้ทดสอบจิตใจว่าปล่อยจริงหรือไม่ปล่อยจริงบางทีก็ต้องนั่งให้มันเจ็บเต็มที่เลยบางทีท่านนั่งทั้งคืนแปดชั่วโมงเพื่อให้เกิดอาการเจ็บทางร่างกายอย่างสุ ด, สด แล้วดูว่าสามารถที่จะควบคุมใจให้นิ่งให้เฉยได้หรือเปล่าอันนี้เป็นช่วงปฏิบัติท่านทรมานแบบนี้แต่พอท่านผ่านแล้วท่านก็มาดูแลรักษาร่างกายแบบธรรมดาทั่วไปถึงเวลากินก็กินเวลานอนก็นอนถึงเวลาออกกำลังกายก็ออกกำลังกายถึงเวลาต้องกินยาก็กินยาทำไปตามปกติร่างกายของพระพุทธเจ้าของปุถุชนนี่เหมือนกันต้องได้รับการดูแลเหมือนกัน แต่ต่างกันทั้งที่จิตใจของพระพุทธเจ้ากับปุถุชนปุถุชนนี่วุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายแต่เพียจิตใจของพุทธเจ้าไม่วุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายคําถามจะคุณจินขอบมานะทิฏฐิกําจัดอย่างไรครับก็ต้องหัดลดตัวตนลงไงพระเจาสอนว่าให้เราหัดทําตัวเป็นสิ่งที่ต่ําที่สุดในโลกนี้สิ่งที่ต่ําที่สุดคืออะไร ก็คือปะตะพีแผ่นดินทำตัวร้ายก็อเราเป็นดินใครจะเหยียบก็ให้เขาเหยียบใครเขาจะลดจะขี้จะเยี่ยวใส่ก็ให้เขาลดขี้เยียวใส่ใครจะบ้นน้ำลายใส่ใครจะทำอะไรให้เขาทำไปแผ่นดินไม่หวั่นไหวนี่คือการลดอัดตราตัวตนพูดง่ายๆก็ให้เราเป็นแจ๋วเป็นคนรับใช้อย่าถือว่าเป็นเจ้านายให้คิดว่าเราเป็นคนรับใช้ ใครจะดา่าใครจะว่าครับผมเจ้าค่ะใครจะว่าอะไรก็ไปกระชมแล้วก็เจ้าค่าะครับผมไปไม่ตอบโต้เพราะเราเป็นลูกน้องเขาเขาเป็นเจ้านายเราถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราสบายใจไปอยู่ที่ไหนกับใครจะไม่มีความวุ่นวายใจใครจะดกดูถูกก็ดีใจถูกต้องเขาดูเราถูกแล้วเพราะเราเป็นคนใช้เราเป็นคนต่ำต้อยเราเป็นคนไม่มีเราเป็นคนอาภัพวาสนาะ ให้คิดแบบนี้ถึงแม้ว่าความจริงมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ทําให้เราสบายใจความจริงเราอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ได้แต่ถ้าเรามีหน้าที่ต้องแสดงความเป็นใหญ่ตามฐานะเราก็แสดงไปเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ทําตัวเป็นผู้ใหญ่แต่เราไม่ไปหวังให้คนอื่นเขาจะต้องมาคอยเคารพนับถือเราเสมอาไปถ้าเขาไม่เคารพนับถือเราก็เรื่องของเขาในใจเราเราก็ยังคิดว่าเราเป็นคนรับใช้อยู่ แต่ในทางร่างกายในสถานภาพทางร่างกายเราอาจจะเป็นนายพลก็ได้อาจจะเป็นนายพันก็ได้อาจจะเป็นอธิบดีก็ได้แต่ในใจอาจจะก็ยังถือว่าเป็นคนรับชัยอยู่ถ้าทํอยางี้ได้แล้วรับรองได้ว่าใครจะว่าอะไรใครจะชมใครจะดา่าก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะไม่มีตัวตนไงลดอัตราตัวตนต้องลดด้วยความคิดของเราเองเราต้องสมมุติว่าตัวเรานี้เป็นสิ่งที่ต่ําที่สุดในโลกนี้ ได้รับรองได้ว่ามันจะทำให้เราสบายใจคำถามจากเจนิดผู้หญิงถือศีลห้าและศีลแปดได้เท่านั้นหรือคะจะถือศีลแบบพระสงฆ์จะต้องทำอย่างไรเจ้าค ะ, ะผู้หญิงบวชไม่ได้แล้วสมัยนี้บวชเป็นภิกษุณีไม่ได้แต่ศีล8ปดกับศีลสองีบเจ็นี้ก็คล้ายๆกันเพราะว่าศีล ศินแปดนี้เป็นเป็นสินหลักศินพระก็มีแค่สี่นั่นสินสี่ที่เป็นศินสินสี่กับศินสินสิบสามเป็นศีลสิบเจ็ดข้อที่เป็นสินคล้ายๆกับศีลแปดนอกนั้นเป็นเรื่องกฎระเบียบมากกว่าศินต่างๆเอพ่อเนี้เป็นกฎระเบียบวิธีการอยู่แบบสวยงามวิธีดําเนินชีวิตที่ดูแล้วไม่ไปทําให้มีปัญหากับใครเท่านั้นเอง ศีลหลักนี่เหมือนกันคือศีลศีลสีสส่ข้อคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติไม่เสพกามแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงอันนี้ก็เหมือนกับผู้ที่ถือศีล8เพียงแต่ว่าศีลข้ออื่นนี่มันเป็นเรื่องรายละเอียดความละเอียดของการการดําเนินชีวิตของพระต้องเรียบร้อยต้องทําอะไรที่ทำให้ไม่ไปทําให้เกิดความเสียหาย แต่แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยก็ไม่ให้ทำเท่านั้นเองแต่เรื่องใหญ่ๆศินข้อใหญ่ๆนี้มีเหมือนกันศีลแปดสินห้าอันนี้มีเหมือนกันต่างกันตรงที่ศินแปดกับมีข้อเพิ่มนิดหน่อยคือเรื่องของการลดการเสพกามลงไปเท่านั้นเองศินแปดนี้จะห้าไม่ให้เสพกามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันไม่ให้ดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปเที่ยวศินของพระก็เหมือนกัน ผู้หญิงถือศีลปดศีลสิบก็พอเหมือนกันเพราะว่าสมัยนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วศีลแปดนี้ก็สามารถที่จะสนับสนุนการปฏิบัติขั้นสมาธิขั้นปัญญาได้จะคุณดิษยามีสามคำถามนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตอนนี้มีปัญหาเรื่องความกลัวมากค่ะ เวลาไปปฏิบัติธรรม ท, ที่ต้องอยู่ที่พักคนเดียวห่างจากผู้คนจะรู้สึกกลัวมากจะทําอย่างไรให้ความกลัวนั้นหายไปคะก็ต้องควบคุมความคิดนั่นเองถ้าเรามีสติมีการบริกรรมอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความกลัวแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปหรือส่วนอิติปิโสไปภายในใจมันก็จะทำให้เราหยุดคิดถึงสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ พอเราไม่คิดถึงสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ความกลัวก็จะหายไปความกลัวมันเกิดจากความคิดของเราเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมว่าทําไมมันเงียบเหลือเกินทําไมมันวิเวกวังเวงเหลือเกินมีผีหรือเปล่ามีเสียงมีสัตว์มีอะไรหรือเปล่ามันคิดปรงแต่งไปหลอกตัวเองพอเราหยุดความคิดปุงแต่งเหล่านี้ได้มันก็หายกวความกลัวก็หายไปยินดีเราไปอยู่คนเดียวนี้เพื่อบังคับให้เราจเจริญพุโทโธให้เราจเจริญบทสวดมนต์นั่นเอง พราะถ้าเราอยู่ที่ปลอดภัยมันจะขี้เกียจใช่ไหมไม่มีถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีความเพียรพอมีความทุกข yup. ์มันก็ต้องมีความเพียรพยายามที่จะแก้ความทุกข์ถ้าใช้สติแก้ได้มันก็ต้องใช้ถ้าใช้พุทโธแก้ความกลัวได้มันก็จะพุทโธพุทโธพุทโธสังเกตไหมคนเวลาที่จะตายหรือว่าจะตายนี่สวดมนต์กันเยอะเลยนะแต่ถ้าไม่ตายถ้าสุขสบายนี่ขี้เกียจสวดกันไะม ที่ให้ไปอยู่ที่อย่างนั้นเพื่อจะได้บังคับให้เราเจริญสตินั่นเองให้เราพุโทโธให้เราสวดมนต์กันพระพุทธเจ้าบอกถ้าไปอยู่ในที่กัวแล้วให้เจริญบทพุทธคุณถ้าเจริญบทพุทธคุณพุทธคุณเนื้อยังไม่หายก็ให้เจริญบทธรรมคุณถ้าเจริญบทธรรมคุณยังไม่หายก็เจริญบทสังคคุณถ้ายัยงไม่หายก็กลับมาพุทธคุณใหม่สวดไปเรื่อยเื่อยจนกว่าจิตมันจะหยุดคิดถึงเรื่องราวที่เราคิดอยู่ พอหยุดคิดแล้วความกลัวมันจะหายไปแล้วมันจะรู้ว่าเราหลอกตัวเราเองที่ของเ้าก็อยู่อย่างงี้ของเขามาเป็นอย่างนั้นขเขาไม่มีอะไรเอาไปคิดของเราเองอย่างบนศาลาเนี่ยถ้าคืนนี้เราให้มานั่งอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวก็อยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ถ้ากังวันตอนนี้อยู่กันคนเยอะๆไม่คิดอะไรจะมาเชื่อเราไหมามาลองสักคืนหนึ่งก็ได้เนยจะให้นั่งอยู่คนเดียวบนศาลาเนี้ เดี๋ย ว, วความคิดอะไรต่างๆโผล่เข้ามาหมดทีเข้ามาแล้วไอ้นุ่นเข้ามาแล้วไอ้นี่เข้ามาแล้วมนหลอกเราความคิดของเราเองทั้งนั้นงั้นถ้าเราหยุดความคิดได้ความกลัวมันก็จะหายไปค่ะคำถามต่อไปค่ะตอนนี้เวลาใจปรากฏภาพของใครจะพบว่าคนคนนั้นจะโทรมาหาเราทันทีและเวลาที่รู้สึกก็จะเย็นไปทั้งตัวพบว่าแม่ทาบุญแล้วนึกถึงเราทุกครั้ง เราก็ควรสักแต่ว่ารู้ไม่ควรหาคําตอบถูกต้องไหมคะก็รู้ตามความเนจริงก็รู้มันแค่นั้นมันเป็นอย่างนี้ก็รู้มันเป็นอย่างนี้เหมือนจะต้องไปรู้อะไรมากไปกว่า น, นั้นคําถามต่อไปจากคุณนกกราบนมัสการการที่เราเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการเจ้าระเบียบภายในบ้านแล้วทําให้ผู้ใหญ่ไม่ชอบเพราะเยอะไปแต่ก็อดที่จะจัดการ และเลิกทําหรือปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้เป็นบาปหนักไหมคะที่จะทําให้คนอื่นอึดอัดก็เราต้องรู้จักความพอดีทําอะไรก็ทําให้มันอยู่ในกรอบของความพอดีไม่ไปกระทบกระเทือนผู้อื่นอันไหนกระเทือนเราก็ต้องหยุดมันทํำในสิ่งที่ไม่กระทบกระเทือนการมีระเบียบมันดีมันไม่ใช่เป็นของเสียหายอะไรเพียงแต่ว่ามันต้องรู้ขอบเขตว่าเราอยู่กับคนอื่นคนอื่นก็อาจจะไม่มีระเบียบเหมือนเรา แล้วเราไปบังคับเขาก็อาจจะไปทําให้เขาเกิดความไม่พอใจได้เนีย่ยเราก็ทําในส่วนที่เราคิดว่าเราทําได้ไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถ้ามันเดือดร้อนเราก็ต้องหยุดให้เรามามีเจ้ากี้เจ้าการกับตัวเราจะดีกว่าเจ้ากี้เจ้าการกับนิสัยของเรานิสัยตรงไหนไม่ดีกําจัดมันดีกว่าขี้งอนก็กําจัดมันฮขี้โลภ ก, ก็กําจัดมันขี้โกรธก็กําจัดมัน อย่างนี้จะดีกว่าไม่ไม่เป็นโทษกับใครคําถามจากคุณนัชลินกรามนมาสการนั่งภาวนาอยู่จากนั้นก็ล้มตัวลงนอนตะแคงภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆเกิดนิมิตต่างๆตามดูไปเรื่อยๆแล้วเกิดเสียงสนัน่นน่ากลัวมากแล้วตัวหลุดออกไปเห็นจักรวาล น, นั่นคือสภาวะใดคะคือไม่มีสติไงภาวนาแบบไม่มีสติอาจจะเป็นบ้าได้ต่อไป เกิดไปเห็นอะไรที่น่ากลัวหรือไปเห็นอะไรแล้วไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาได้การภาวนานีไม่ต้องการให้ไปเห็นสิ่งต่างๆต้องการที่จะหยุดการกระทําของใจคือความคิดหยุดอารมณ์ต่างๆหยุดความอยากต่างๆให้ใจสงบนิ่งเย็นสบายถ้าไม่มีสติมันก็จะเป็นอย่างนี้นั่งต้องมีสติต้องมีสติกำกับใจ เช่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกแลือมีสติอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธถ้ามีสติแล้วอาการต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจคิดว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนภาพหลอกเราเท่านั้นเองอย่าไปคิดว่าเป็นจริงเป็นจังบางทีจิตก็หลอกเราว่าเป็นนู่นเป็นนี่เดี๋ยวก็คิดว่ามีเทวดามาหามีเป็นเท้ามาหาพรหมตัวเองกลายเป็นเท้ามาหาพรหมขึ้นมา อันนี้เป็นพวกที่ภาวนาแบบไม่มีสติจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะหากลูกตั้งใจจะรักษาสีแปดอยู่กับบ้านลูกจะนุ่งห่มชุดปกติแบบเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ชุดปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวได้หรือไม่เจ้าคะและยังทำงานบ้านทำงานออนไลน์ปกติเพียงระมัดระวังคาพูด ไม่แต่งหน้าไม่นั่งหรือนอนบนฟูกไม่ทานอาหารหลังเที่ยงวันแยกห้องนอนกับสามีสวดมนนั่งสมาธิภาวนาบ้างถูกต้องไหมเจ้าคะได้เพียงแต่ว่าเป้าหมายของการถือศีลแปดนี้เพื่อให้เราหยุดกิจกรรมอย่างอื่นทั้งหมดให้เรามาทำกิจกรรมทางด้านจิตภาวนาเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเรายังมีภารกิจการงานที่ต้องทาก็ทาได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ผล ไม่ได้ประโยชน์เท่ากับการที่เรามาทำากิจทางจิตภาวนาการถือศีลแปดนี้เพื่อยุติกิจกรรมทางด้านอื่นไปให้หมดเพื่อที่จะได้มีเวลามาเจริญจิตภาวนาแต่ถ้าเรายังมีภารกิจมีการงานต้องทำอยู่ก็ทำไปอันนี้ก็มันก็เพียงแต่ว่าทำให้เราไม่สามารถทำกิจทางด้านจิตภาวนาได้เต็มที่เท่านั้นเอง คำถามจากคุณปริชาติขอถามต่อเรื่องพระโสดาบันค่ะถ้าพระโสดาบันกลับมาเกิดจะมีอุปนิสัยอย่างไรคะออก็เป็นโ ส, โสดาบันเหมือนเดิมการเปลี่ยนน่างกายไม่ได้ไปเปลี่ยนจิตใจน่่งกายก็เป็นเหมือนเดิมเป็นโสดาบันก็เป็นโสดาบันก็จะปฏิบัติต่อไปก็จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นต่อไปเหมือนคนจบปอตีพอไปย้ายมาหาเลยก็ไปเรียนต่อได้ ไปเรียนปอโถได้ไม่ไปกลับเรื่องไปเรียนเ ป, ปอตีใหม่อันนี้ก็เหมือนกันกิดโสดาเป็นโสดาบันแล้วเกิดตายไปก่อนยังไม่ได้ขึ้นขั้นที่สองพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะปฏิบัติต่อได้เพราะโสดาบันนี้มีตําราอยู่ในใจแล้วมีหลักสูตรอยู่ในใจแล้วไม่ต้องมีคนสอนก็ได้สามารถปฏิบัติเองไปจนถึงพระนิพพานได้หลวงพ่อคะแล้วถึงแม้จะไม่ได้เกิดในศาสนาพุทธก็ทําต่อได้เลยใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนก็ได้ เพราะว่ามีความรู้ในอริยสัจสีมีความรู้ในตายรักแล้วพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะไม่ไปโทษคนนั้นคนนีน้สิ่งนั้นสิ่งนี้โทษกิเลสของตนเองออยากเห็นแล้วเออยากมีแฟนพระสุวรรณบันยังอยากมีแฟนอยู่เยพอไม่ได้แฟนก็เสียใจหรือพอได้แฟนมาแล้วเสียแฟนไปก็เสียใจต่อไปก็จะเห็นโทษของการมีแฟนก็ต้องาพิจารณาความไม่สวยงามของแฟน ต่อไปเห็นแฟนเห็นใครอยากได้อยากได้ใครมาเป็นแฟนก็คิดถึงอสุภะของเขาคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของเขาพอเห็นส่วนที่ไม่สวยงามมันก็จะเลิกยักความอยากมีแฟนได้มันก็จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามได้มันจะรู้ไปในใจเพราะความทุกข์มันยังมีอยู่แล้วมันก็รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของตนเพียงแต่หาวิธีมาหยุดความอยากนี้ได้อย่างไรเท่านั้นองถ้ายังไม่ได้เรียนรู้มาก่อนจะต้องต้องลองผิดลองถูกดู แต่ในที่สุดก็จะค้นพบวิธีที่จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้จะคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วทำอย่างไรที่จะได้โสดาบันในทันชาตินี้คะก็ไปบวชสดีที่สุดนะ เ, ออเพราะจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้ารับรองถ้าบวชได้ปฏิบัติตามได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี จะต้องได้ขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนอย่างน้อยต้องได้ขั้นที่สามถ้าไม่ได้ขั้นที่สี่ก็ขั้นที่สามจากคุณสุมน์คนที่ตายจากอุบัติเหตุเป็นกรรมเก่าไหมคะการตายนี่มันเกิดจากการมาเกิดเสริม ว, วิธีตายนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าก็ได้ตายแบบไหน ตายถูกเขาฆ่าเพราะชาติก่อนเคยไปฆ่าเขาก็เลยต้องตายเพราะให้เขาฆ่าตายด้วยอัติเหตุนี้อาจจะเป็นเพราะการไม่มีสติการดื่มสุรายาเมาหรือว่าเป็นความซุกของเราที่ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นมันมีหลายสาเหตุด้วยกันของการตายแต่ที่สาเหตุหลักก็คือการมาเกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีการตายถ้ามาเกิดแล้วต้องมีการตายแต่จะตายด้วยสาเหตุอย่างอื่นนี้ก็เป็นไปได้ ชาติก่อนอาจจะไปเคยฆ่าเขาแล้วเขามาจองเวรจองกรรมมาตามค่าเราอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเช่นพระโมคคัลลานะก็เคยไปฆ่าเขามาก่อนชาตินี้ท่านแล้วต้องตายโดยให้คนอื่นเขาฆ่าท่านเอาคำถามสุดท้ายค่ะจากคุณไอซ์เบอรี่ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ตอนนี้หนูถักนิตติ้งเพื่อถวายเป็นผ้าห่มพระขนาถักหนูฝึกสติดูการเคลื่อนไหวของมือ และดูไม่ให้มีความคิดที่มีเกี่ยวกับงานเข้ามาแทรกแต่ก็มีหลายครั้งที่มีเรื่องที่ไม่สบายใจทำให้ใจสัน่นและถักงานผิดหนูควรแก้สภาวะนี้อย่างไรคะสติเรามีกำลังไม่พอจะต้องช่วยใช้พุโทโธช่วยเสริมก็ได้เวลาถักไปก็ดูไปแล้วก็พุโทโธไปมันจะทำให้การคิดต่างๆมันน้อยลงเพราะถ้าเราดูเฉยๆมันยังคิดได้อยู่ ดูด้วยแล้วก็พุโทโธไปด้วยดูการถักไปเป็นหลักแล้วก็เอาพุโทโธมาช่วยกํากับความคิดอีกทีมาหยุดความคิดอีกทีทําไปพุโทโธพุโทโธไปแล้วรับรองได้ว่าอารมณ์ต่างๆนี้จะน้อยลงไปอาแล้นะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิตรพิจารณาไปปฏิบัติ